50 languages. 39. m u w a t ยางรถของดิฉันแบนค่ะนันวาน่าฮนดาไทเร์ตูตากิเดเปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะนิมันเกชักรวันน่บดลาอิสลโอาบุตเเดยดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะนันเกยรดุลิตร์ดีเซลเบกุดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ นันนแลลีเปตทโรลอิลล่าคุณมีแก๊ลอนน้ำมันไหมคะนิมมบัลลีตะกรีกนน้ดับบี้ปตทโรลดับบี้อิดเอเยดิฉันจะโทรสท์ได้ที่ไหนคะนาหนูเยลลินเดดูรวานีคเร่มาดบ่หุดูดิฉันต้องการรถลากค่ะ นั่นเองกาดีเอเลดุคนดูฮูกัววรอวสเชกตเตออดเอที่ฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะนานูวนดูว่าหันอะไรไปริอังกดีหุดุกุติดเดนเกิดอุบัติเหตุอิลลีวันดูอภิษฐรรมสัมวัสิดเอตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนค่ะ อิลลีหัตถ์รดาดูรวานิคร์ร์เคนดราเยลลีเดย์คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะนิมมะบลโมอเบล์ฟอนอีเดเยเราต้องการความช่วยเหลือคะ่ะน้ำเยสสายเบกุตามหมอให้ทีคะ่ะวบบวัยดิรนโนคารีดี เรียกตำรวจให้ทีค่ะพอลิสนันโนกา ร, รีิขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะนิมมารูจวัตุปัตระการนูดยวิตตุตริซีขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะนิมมาช้าลนาปาราวานิเกพัตระการนูเดเยวิตตุตริซีขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ นิ่มมากกาดียาปัต ನ กะรันนู้ได้ยังวิ่